ยุคนี้คนสนใจธรรมะมากนะในที่จะลงมือปฏิบัติกันจริงๆไม่ใช่ธรรมะในะแค่ว่าทำทานถือศีลนั่งสมาธิเอาความสงบอันนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีมากหรอกธรรมดามันเป็นของที่มีอยู่กับโลกมานานแล้วเรื่องทำทานรักษาศีลเรื่องนั่งสมาธิให้สงบ ไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดไม่เคยหายไปไหนในศาสนาอื่นก็มีสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธต่างกับคนอื่นก็คือมีการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้านะคนพบสมาธิอีชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิอย่างฤาษีในหลวงพ่อพูดเรื่อยเรื่องนี้เล่าบ่อยๆเรื่องสําคัญ ถ้าเราทำสมาธิไม่ถูกน้เดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกไปทำสมาธิสงบเนี่ยนะมันไม่เดินปัญญาหรือทำมิจฉาสมาธินะนอกจากไม่ได้ปัญญายังได้โมหะอีกยิ่งแย่กว่าเก่าอีกมัวมวฟุ้งฟุ้งหลงหลงอะไรไปเคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไปตอนพระพุทธเจ้าเด็กๆนะจี่กวบไม่รู้แน่นะตำราไม่เหมือนกันสักเล่ม แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปลงที่เจ็ดขวบตอนเจ็ดขวบก็สมเหตุสมผลก่อนหลวงพ่อจำว่าสามขวบเล็กมากเลยต้องบารมีสูงจริงจริงเจ็ดขวบเนี่ยก็มาตรฐานนะเจ็ดขวบเนี่ยเริ่มภาวนาได้ละท่านพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสวดโธธนาไถนาแรกนากวันท่านอยู่องเดียวว่างๆท่านลุกขึ้น ทำอาณาปณะสติจิตรวมนะได้ปฐมฌานตอนนั้นในตำราเขาพูดถึงปฏิหารว่าท่านนั่งอยู่นานดวงอาทิตย์มันเคลื่อนไปนะแต่เงาของต้นไม้ไม่เคลื่อนก็บังท่านไว้เงันบางอยู่กับที่พ่อท่านมาเห็นเข้าก็ยอมไหว้ท่านยอมกราบท่านต่อมาพอท่านออกบวช เป็นเจ้าชายศริทธาถาอยู่29ปีออกไปบวชสิ่งแรกที่ท่านคิดมันก็เหมือนพวกเราเวลาเข้าวัดเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งแรกที่คิดก็คือไปนั่งสมาธิเหมือนกันหมดเจ้าชายสิทธาถาก็คิดอย่างนั้นก็ไปหัดนั่งสมาธิกับฤศีอาราระดาบทุทกดาบทเรียนจากอาราระดาบทก่อนนะได้ฌานที่เจเป็นอรูป อรูปรูปที่สมเข้าไปสู่อากินจัญญายตนะแล้วก็หมดความรู้าอาจารย์ก็ไปเรียนกับอุทกดาบทต่อทักษดาบทสอนได้ถึงชานที่8เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะพอจบแล้วหลักสูตรมีแค่เนวสัญญานี่เองเจ้าชายสิทธาถาก็ถามอาจารย์ว่ามีเท่านี้เหรอ บารมีท่านนี้แหละจบหลักสูตรแล้วในไม่กี่วันหรอกนะเพราะบารมีท่านมากเรื่องฌานสมบัตนะิทำมาหลายพพหลายชาติแต่ไหนแต่ไรท่านก็เล่นมานานแนะ้ท่านก็ไม่พอใจนะคำสอนของอาจารย์ว่าโอ้อาจารย์รู้แค่นี้แต่แค่นี้ไม่พ้นทุกข์เข้าฌานถึงฌานที่8นะก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นี้ไม่ใช่ทางท่านก็ลาอ า, ารย์ออกไป สแสวงหาธรรมะท่านน่ารักมากนะท่านออกจากอาจารย์เนี่ยท่านไม่เคยด่าอาจารย์เลยนะจนท่านตัดสู้แล้วคนแรกที่ท่านคิดถึงก็คืออาจารย์ท่านเนี่ยความงามในจิตใจของท่านนะซึ็นคนรุ่นเราไม่ค่อยมีเพราะนเหยียบอาจารย์เลยนะ <c oughs> นี่พอท่านออกจากดาบบทท่านก็ไปหาเอาเองไปทรมานกายไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาเชื่อกัน พวกนี้มุ่งทำลายตัณหาเหมือนกันนะมุ่งทำลายตัณหาจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่ออะไรจะได้นิพพานแต่วิธีการมันไม่มีมันกลายเป็นวิธีการทรมานตัวเองอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุกอยากสบายก็นอนมันบนหนาเลยนะอยากสุขสบายนักเหลือนะอยากสบายมากเหลือนะรักตัวเองมากเหลือหน้าหนาว ก็ไปอยู่กลางแจ้งให้ลมพัดหน้าร้อนเมืองอินเดียร้อนจะตายเที่เรียกว่าร้อนไตชักเลยนะใครไปไปนะหน้าร้อนก็ไปอยู่กลางแจ้งอีกอยู่กลางแจ้งทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรอย่างนี้นะทรมานมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านก็เคยทําแบบนั้นหลวงพ่อกเกษมเขมมโกหน้าหนาวก็ไปอยู่กลางแจ้งหน้าร้อนก็อยู่กลางแจ้งแดดเผาตัวไหม้เลยพักเพียนทําความเพียน ท่านก็เก่งท่านนะสุดท้ายท่านก็เข้าทางสายกลางจนได้เาชายสิทธัตถะทรมานตัวเองอยู่นะรวมเวลาแล้วหปีได้รับความทุกข์มากส่วนทําสมาธิกะระลือศีใช้เวลานิดเดียวสมาธิท่านเก่งอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งท่านก็นึกขึ้นได้ว่านี่มันไม่ใช่ทางหรอกมันโหดเที่ยมกับตัวเองเกินไปบังคับกายบังคับใจมากไปเรื่องสมาธิก็คือเรื่อง ปรับใจทั้งตัวเองควบคุมใจบังคับใจไปทรมานกายก็บังคับกายสุดโตงไปทําตัวเองลำบากไม่ใช่ทางส่วนการเสพสุขทางโลกทางดูรูปฟังเสียงได้กลิ่นได้รวนได้สัมผัสอะไรเนี้ยท่านเห็นมาแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่ทางเพราะท่านเป็นเจ้าชายมีสิ่งนี้มากงั้นความสุดโต่งสองข้างเนี้ยไม่ได้ผลนลท่านก็ต้องคิดถึงทางสายกลาง ท่านคิดถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆสมาธิตอนเด็กๆปฐมฌานท่านก็เริ่มทําสมาธิเริ่มทําสมาธินะ้ำมานก็มาละนี่เส้นทางนี้พระโพธิสัตว์จะเลยจะหลุดพ้นแะ้วตอนที่ท่านเป็นนั่งสมาธิแบบลือสีมานไม่ยุ่งเลยตอนทรมานกายมานไม่ยุ่งเลยมานมายุ่งอยู่สองช่วงนะช่วงแรกจะออกจากวัง ออกจากวางคือออกจากความสุขอย่างโลกโลกที่ย่อหย่อนเกินไปและกรารสุขาริการุโยค ก, การออกจากกวามสุขาริการุโยคเนี้เป็นสิ่งที่ดีนั้นหมานกันเนตต่อมาพอจะมาพ o r าเข้าทางสายกลางจริงๆหม่านก็มาขวางอีกนะตรงทางสมาธิที่ท่านทำนะมันเป็นสมาธิที่ท่านเคยทําตอนเด็กๆมีปัญหานิดเดียวว่า ปฐมฌานที่ท่านทำตอนเด็กๆแล้วมันต่างไงกับฌานที่ฤอษีสอน<ม>จะเข้าฌานเจดฌาน8ดได้ก็ต้องผ่านปฐมฌานมาเหมือนกันเังนั้นท่านว่าผ่านตัวนี้เรื่อยๆทำไมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทางเพราะสมาธิมันมีสองชนิดนั่นเองสมาธิมันมีสองชนิดสมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอันนี้เข้าฌานหนึ่งถึง8ดได้ สมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันนี้เข้าฌาน1นถึงแแล้วต่อขึ้นสัญญาเวทยิตานิโรธได้กนนันหนึ่งได้ถึงสมาบัติก้าที่อยู่ที่จิตเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทําสมาธิออกนอกจะส่งจิตไปอยู่กับอารมณ์เช่นไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับแสงสว่างอยู่กับพุทธรูปอยู่กับท้องอยู่กับมืออยู่กับเท้าอะไรนี่นสมาธิออกนอกพระโพธิสัตว์ เจ้าชายสิทัตถะท่านทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นพระจิตตั้งมั่นอ่อนควรแก่งงานแล้วนะและ้วนมน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนี่หลวงพ่อเทศเรื่องนี้นานนะเขบอกว่านี่ปริยัตเขาอธิบายไม่ถูกหรอกนะว่าสมาธิสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงนี่ไปที่บ้านจิตสบายอาจารย์สุรพลเข้าไปซีหลอก ที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะ่ะท่านเป็นปลาัดอันดับหนึ่งเลยนะต้องยกย่องเลยเป็นปลาัดของแผ่นดินองค์หนึ่งเลยท่านเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเนี้ยอ่านพุทธประวัตินะยังมีข้อน่าสังเกตอันหนึ่งว่าไปเรียนฌานเจดฌาน8ดกับฤศีนะแล้วบอกว่าไม่ใช่ทางจะผานเจดปดได้นะถึงเจ็ดปดได้ต้องผ่านหนึ่งอยู่แล้วแล้วทําไมเอ็ดหนึ่งอ่ะมันเป็นทางเนนี้ตั้งข้อสังเกตไหมเนี่ยภาคปริยัติจะอธิบายยากนะ อธิบายยากแต่ท่านท่านแหลมค ม, มท่านจับประเด็นออกมาได้ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้ว่าสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตถึงจะสงบอยู่ต่อเนื่องได้นั่นสมาธิเพื่อพักผ่อนเข้าชานหนึ่งสองสามห้าหกเจดแปดได้สมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว สมาธิอย่างนี้ก็เข้าฌานแปดได้เหมือนกันนกะ็เข้าถึงเนวสัญญาเข้าสัญญาเวทยิตานิโรอันที่เก้าได้ด้วยสําหรับบางท่านไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่พระอาหารหันต์หรือพระนางคาทุกองนะที่จะเข้าสัญญาเวทายตานิโรดนิโรสสมบัติส่วนที่เข้ากันทางเหนือนะบอกพิธีเข้านิโรดนิโรดไม่ใช่หรอกนะ น, นั้นพูดแต่ปากหรอกไม่ใช่นิโรสสมบัติอะไรหรอกนะพอถึงเวลาก็ออกมาฉันเข้าอนะก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ หิวน้ำก็ออกมากินน้ำต่ออะไรงี้แวแค่นั่งสมาธิเฉยๆจะไปเรียกว่านิโรธไม่ใช่หรอกไม่ใช่นิโรธสมบัติหรอกคนได้ยินว่าวัดไหนจัดเข้านิโรธนะชอบมากเลยพระเข้านิโรธไม่บอกใครหรอกนะคืนบอกว่าอาบาอัติอีกสิโฆษณานี่เราต้องเรียนนะสมาธิมีสองชนิดอันนี้เราจะแตกชานขึ้นมาได้ด้วยเรื่องของจิตสิกษาเรียนเรื่องจิต เราจะรู้ว่าถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลสจะได้สมาธิอย่างแรกเอาไว้พักผ่อนจําเป็นไหมมีประโยชน์มากนะไม่ถึงข่าวขาดบาดตายไม่มีก็ไม่ตายแต่มีประโยชน์มากถ้าพอนารุษเจริญปัญญารวดเลยไม่มีที่พักนะี่ยจะเหนื่อยแสนสาหัสเลยลำเข็นต้องเรียกใช้คำ ว, ว่าลำเข็นแห้งแล้งสมาธิอย่างที่สองเนี่ย จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิอย่างนี้วิธีฝึกทํำยังไงวิธีฝึกเนี่ยให้คอยรู้ทันอาศัยสติคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเขาตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปทางหูไปฟังเสียงนะไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนมากไปคิด ถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติะงั้นะจิตที่ตั้งมัน่นมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยห้ามทําขึ้นมาถ้าทําขึ้นมาจะตึงเครียดเกินไปนะจะเป็นสมาธิลือศีทันทีเลยนะบังคับตัวเองรุนแรงไปนะเป็นการบังคับใจทําใจให้ลําบากนะขนาดเข้าฌานว่ามีความสุขมากนะถ้าภาณาเป็นจะรู้เลยเข้าฌานก็เป็นพบๆหนึ่งนะลำบากนะไม่ใช่ของดีจริงหรอกนะ งั้นเราต้องมาฝึกนะวิธีฝึกเนี่ยอย่าไปบังคับให้เกิดความตั้งมั่นของจิตแต่มีสติรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเรียนเรียนกลับข้างจะฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยวิธีอะไรวิธีรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่เลื่อนไปไหลไปวิ่งไปนะจิตเราจะวิ่งตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ วิ่งไปทางตาเวลาเราไปดูนะอย่างเวลาเราขับรถมานะเห็นรถชนกันใช่ไหมในขณะนั้นทุกคนไปมองรถที่ชนกันร่างกายของตัวเองลืมจิตใจของตัวเองเป็นยังไงก็ลืมเนะนี่ยหลงไปดูนะจิตออกนอกไปแล้วหลวงปู่ ด, ดูลีกจิตออกนอกคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปทางตาไปดูรูปแล้วลืมตัวเองไปฟังเสียงแล้วก็ลืมตัวเองไปได้ดมกลิ่นแล้วก็ลืมตัวเองไปรู้รสแล้วก็ลืมตัวเอง รู้สัมผัสทางกายแล้วก็ลืมตัวเองเวลายุงกัดนะเราก็จะรู้รู้อะไรต้องรู้ยุงไมตอนแรกมันเจ็บไม่เห็นยุงก็อมองไปปุ๊บสิ่งที่เพ่งความสนใจไปนะคือเพ่งความสนใจไปใส่ยุงนะค่าได้รีบค่าไปก่อนอย่างี้นะจิตจะออกนอกถ้าเป็นนักปฏิบัติเจ็บปุ๊บมองนะเห็นยุงก็จริงนะแต่ความรู้สึกมันจะอยู่ที่กายนะอย่างเห็นร่างกายมันคัน ร่างกายอันหนึ่งความคันอันหนึ่งจิตเป็นคนดูอนนึ่งเนี่จะเป็นอย่างนี้นต้องฝึกเรื่อยๆต่ไปจิตจะถอยตัวมาเป็นคนดูการที่เราจะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปหกทวารนะทำได้ยากช่องทางที่หนีมีมากเหลือเกินเหมือนเรามีลูกสนนะบ้านเรามีทางออ ก, ออกจากบ้านได้ทั้งหกทิศทางจะดูคอยดักอยู่หกทิศทางเนี่ยเหนื่อยเกินไป ท่า น, นบอกว่าให้ดักอยู่ที่อันเดียวนะคือทวารใจทวารใจเนี่ยจิตทำงานบ่อยที่สุดือหนีไปทางใจหนีไปคิดเนี่ยบ่อยที่สุดเลยให้เรามีสติรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดจิตมันจะไหลไปนะมันไหลมันจะเคลื่อนไปไหลไปสู่โลกของความคิดเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดวิธีที่เราจะฝึกให้ได้เร็วรู้ได้เร็วก็คือต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนนะ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งพุทโธก็ได้พุทโธแล้วไม่ได้มุ่งความสงบแต่พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้นะพุทโธพุทโธจิตไหลไปเพ่งความว่างๆก็รู้รู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปจิตไหลไปคิดก็รู้นะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะเอาแค่นี้แหละรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งอารมณ์นะ ตรงไหลไปคิดน่ะก็จิตมันเผลอไปตรงที่ไหลไปเพ่งอารมณ์ไว้จิตมันไปเพ่งเพ่งก็เป็นความเผลออย่างหนึ่งนะจิตมันเคลื่อนไปเหมือนกันจิตมันหลงเหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เป็นหลงเพ่งนั้นก็เรียกว่าหลงเพ่งเหมือนกันะไม่ใช่เพ่งธรรมดาเราเป็นหลงเพ่งเพาไม่รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วหรือดูท้องพองยุบก็ได้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมก็ได้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้นะ งั้นทากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆนะพุทโธพุทโธจิตไหลไปก็รู้หายใจจิตไหลไปก็รู้ไหลไปสองแบบไหลไปเพง่งอารมณ์มันเดียวกับไหลไปคิดเรื่องอื่นนะให้รู้บ่อยๆจนจิตมันชํานาญที่จะรูนะ้สติจะเกิดอัตโนมัติเวลาที่จิตเคลื่อนพอจิตเคลื่อนปั๊บสติเกิดเองเลยจิตตั้งมั่นเองเลยนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ไหลไปนั่นเองก็แค่นั่นเองนะพอจิตใจไม่ไหลไปจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะ จ, จะจะโปร่งโล่งเบานะจะรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นตัวของตัวเองอยู่ในขณะนั้นจะต้องฝึกไม่ฝึกไม่มีหรอกเพราะว่าจิตของเราเคยชินที่จะไหลตั้งแต่ในใจลายเมื่อไหลตลอดงั้นก็าฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาด้วยการรู้ทันเวลาเขาไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้มันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเกิดใหม่นะ มีความรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเลยตอนนี้เป็นคนใหม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็จะนึกได้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลับตลอดเลยหลับทั้งที่ลืมตาตื่นนี่แหละเพิ่งจะตื่นอย่างแท้จริงนะเมื่อจิตเข้ามาตั้งมั่นจิตเข้ามาถึงฐานอย่างแท้จริงนะเมื่อจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานแล้วอย่าประคองอย่ารักษาไว้ หน้าที่ถัดไปคือการเจริญปัญญาเรามีจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่เพื่อให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่เอาตรงนี้นะเพราะจิตตั้งมั่นเป็นของไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างไม่ได้เรามีจิตตั้งมั่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญาเท่านั้นเองวิธีเจริญปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนั้นเราต้องฝึกจนจิตเป็นกลางจิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่ไม่อินเข้าไปไม่ไหลเข้าไปในปรากฏการต่างๆอย่างความคิดเกิดขึ้นจิตไม่ไหลไปในความคิดไปดูจิตไม่ไหลไปดูไปฟังจิตไม่ไหลไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทันไปเอยพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาสติรู้กายจิตจะไม่ไหลเข้าไปที่กายเวลาจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขจิตจะไม่ไหลเข้าไปที่ความสุขทุกข เวลาจิตตั้งมั่นแล้วนะกิเลสเกิดขึ้นสติระลึกรู้กิเลสที่เกิดขึ้นจิตจะไม่ไหลเข้าไปที่กิเลสจิตจะเป็นคนดูอยู่ไม่ไหลเข้าไปหาตัวอารมณ์นะแยกออกจากตัวอารมณ์การแยกอย่างนี้เรียกว่าการแยกรูปแยกนามนะแยกนามรูปปริเฉทญาณเป็นปัญญาเบื้องต้นหน่อยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นถึงวิปัสสนาญาณ ยังไม่เป็นวิปัสสนานะแค่แยกรูปแยกนามได้นะแต่ถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยังทําวิปัสสนาไม่ได้งั้นต้องแยกให้เป็นนะเราจะเห็นพอเราใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็อาจจะคอยดูไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ได้ร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกร่างกายกับใจเป็นโคล้านกันนะ พระใจจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะดูง่ายว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยพอสติไปรู้กายกายเป็นของถูกรู้แล้วไม่ใช่จิตจะเห็นเลยคนละอ่านกันถ้จิตตั้งมั่นอยู่สติไปรู้ความสุขความทุกข์มันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาโลภโกรธลงเกิดขึ้นสติไปรู้นะจิตตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นว่าโลภโกรธลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรอะไรก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตััวเราสกหน่อย หัดแยกไปเรื่อยนะค่อยๆหัดแยกไปเริ่มต้นก็นั่งพอใจตั้งมั่นดีแล้วนะก็นั่งต่อไปนั่นแหละดูกายมันนั่งดูกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูไปด้วยนั่งไปจนปวดจนเมื่อยอย่าเพิ่งขยับให้มันปวดมากๆแล้วค่อยๆสังเกตลงไปว่าร่างกายก้อนหนึ่งความปวดเมื่อยก้อนหนึ่งจิตก้อนหนึ่งโคล่า้อนกันค่อยๆแยก พอปวดมากๆนะจิตใจชักทุรนทุรายห่วงสังขารร่างกายนะโอนั่งนานอย่างนี้ปวดอย่างนี้จะเป็นอมพลาดไหมเนี่ยนะไม่เป็นหรอกยังไม่เคยเห็นใครทำสมาธิกรรมฐานอะไรแล้วเป็นอมพาดเลยนะมีแต่กินเหล้าเป็นอมพาดอย่างี้มีเยอะนะ mm hmm. พอใจมันกังวนขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันความกังวล น, นะเราจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อันหนึ่งความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรก็อันหนึ่งนะความกังวลใจเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกจนกระทั่งสรรพสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้เนี่ยเป็นแะค่สิ่งที่จิตไปรู้เขาาา้าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าภาษาพระเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะจิตคือผู้ไปรู้อารมณ์เมื่อเราจะฝึกจนกระทั่งจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ก็อันหนึงนหน่งนะแยกออกจากกันสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ถูกรู้ถูกดนะูจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็ไม่รักษาจิตด้วย เราเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับได้ด้วยนะอะไรเป็นคนรู้จิตก็จิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่ดับไปแล้วนะก็จะเห็นอย่างนี้ไปทั่วกันในขันท่ามีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแลดับไม่มีตัวเราเลยนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะไม่ยากเกินไปหรอกนะเอาต่อไปส่งกันบ้านพวกอยู่วัดว่ามาเรียนอยู่หลวงพ่อนะคะโยมเพิ่งจะเริ่มปฏิบัตินะคะ ก็รู้สึกว่าต่อจากนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นไปสู่ทางธรร ม, มแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีขึ้นคือการยกระดับจิตใจและในระหว่างที่ได้ปฏิบัติในวัดเนี่ยก็รู้สึกว่าบางครั้งที่จิตไหลไปเนี่ยพอเรารู้สึกตัวก็กลับมาอยู่กับตัวเองอรู้สึ ก, กว่า ก็แรกๆก็เป็นค่ะหลวงพ่อแต่หลังๆนี่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นคือหยุดคิดนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะก็ดีแล้วก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะกลับไปภาวนาในชีวิตประจำวันรับปากหลวงพ่อแล้วนะมากล้าปฏิญาณต่อหน้าหลวงพ่อนะเนื่อยยงข้ามขี้เกียจขี้เกียจ ก, ก็ได้แต่ไม่เลิกเบื่อก็ได้แต่ไม่เลิกท้อใจก็ได้แต่ไม่เลิกนะ ทอ้อก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเบื่อก็ปฏิบัติไม่เลิกดูมันเข้าไปท้อใจเหลอดูเข้าไปที่ท้อนี <pues S 1> ่เห็นเลยท้อกับจิตเนี่ยคนลนกันกัน <okay. S 1> เบื่อก็ดูไปจิตมันเบื่อหรือไม่ใช่เบื่อกับจิตมันโคนละอันกันขี้เกียจเนาะขี้เกียจก็ไม่ใช่จิตอีกคนละอันกันจับมันแยกไปดูมันไปไม่ท้อถอยนะไม่ไม่ลาเลยมันก็ไปจนได้อะต่อไป เมื่อวันอังคาระเจ้าค่ะที่บอกว่าหลวงพ่อบอกเจริญปัญญาแล้วมันแห้งแรงมากก็หลวงพ่อบอกว่าให้พุทโธถี่ๆเข้าไว้ให้เจริญสมถะสองวันนี้ก็ลองดูนะเจ้าค่ะทีนี้เวลาเดินจงกรมก็รู้ก็พุทโธไปเรื่อยๆอมันก็รู้สึกว่าเป็นภาระนะเจ้าคะเสร็จแล้วก็ลองดูตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยพุทโธแผ่วๆไว้ไปเรื่อยๆมันก็เย็นจิตมันก็เย็นลงเท่านั้นแหละถูกต้องเป็นแบ็คกราวแผ่วๆเท่านั้นแหละค่ะเจ้าค่ะ แต่ก็ยังรู้สึกว่าพุดโธ ร, รู้ทีไรก็รู้สึกว่าจิตมันหนักๆักมีภาระอยู่ว่าเจ้าค่ะจิตมันจะขี้เกียจมันจะไม่ยอมอ ะ, ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ทําสมถะเลยเพวกที่เดินปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะไม่ค่อยยอมทําสมถะรู้สึก เสียเวลาเป็นภาระนะเจ้าค่ะแต่ต้องทำมาหมายความว่าจะหนักยังไงก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่อย่าให้แน่นเกินไปพุทโธถีๆๆไปเรื่อยเราไม่ได้พุทโธจริงๆนะเราพุทโธแผ่วๆพุทโธเป็นแบ็กกราวไปทั้นั้นมันจะเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังนะใช่เป็นแค่แบ็กกราวนะแต่ว่าไม่ทําใจให้ซึมตามแบ็กกราวไปด้วยนะเจ้าค่ะแล้วเวลานั่งสมาธินี่ย มันจะไม่ถึงจะเย็นมันก็ไม่ดิ่งลงนะเจ้าค่ะเออนั่นแหละมันมีสติอยู่มันจะเต้นเต้นอยู่อย่างงั้นนะเจ้าค่ะแค่นั้นก็พอละพอนะเจ้าค่ะเวลารวมเขารวมเองอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีอะไรไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อจะแนะนําอะไรไหมก็รู้สึกไหมมันสบายขึ้นนิดหน่อยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อยังมองอยู่ว่าทําไมมันเป็นภาระอยู่ข้างในอะเจ้าค่ะใจมีโทสะแทรกก็รวงแอาใจมังไม่ยอมทําสมถะสมถะต้องทํานะเจ้าค่ะ ถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปสมาธิเราไม่พอจิตไม่มีแรง <Okay. S 1> จิตกับร่างกายไม่เหมือนกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงแข็งแรงจิตต้องนิ่งถึงแข็งแรงและบางครั้งที่เราเคลื่อนไหวมืออย่างนี้เจ้าคะ่ะมันพุโทโธไม่ได้อันนั้นก็คือแค่ทำความรู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวคือให้จิตมีเครื่องอยู่ไปเลยนะอันนี้ไม่ต้องพุโทโธละไม่ต้องอคือ วันพุธนะคะหนูเดินจงกรมไปด้วยแล้วก็บริกรรมไปด้วยแล้วมันรู้สึกว่ามันเครียดนะคะก็เลยบริกรรมเฉพาะเวลาที่ทําชีวิตประจําวันแล้วก็เดินจงกรมก็พยายามดูกายไวอาา้อะค่ะได้แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคือมันก็จะเห็นว่ามันแวบไปคือบางทีมันเหมือนเราไปรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ตีความว่าเฮ้ยเนี่ยเราแหละไปคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ฟุ้งซ่านไปนะฟุ้งซ่านซ้ําซ้อนอันนัน <c oughs> แค่รู้ทันว่ามันไหลแวบแวบแว บ, แ, วบแค่นั้นก็พอละ เราถ้าเกิดเหมือนทําความรู้สึกว่าเราดูคนอื่นเดินอะไระอย่างนี้ค่ะถ้าทําความรู้สึกเหมือนเราดูคนอื่นเดินอยู่ดูด้วยนั่งทำความรู้สึกงั้นก่อนดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยแต่ว่าไม่ทําจนใจแข็งๆนะแค่รู้สึกสบายๆเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวสบายๆใจต้องไม่มีน้ําหนักแต่ถ้าทําเห็นเหมือนคนอื่นเดินนะแต่ใจหนักๆขึ้นมาอันนี้มากไปทําแรงไป คือถ้าฟุ้งไปเลยก็กลับมาอย่าดึงนะ อ, อย่าดึงอย่าดึงปล่อยมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นกับน้มัสการหลวงพ่อครับส่งที่เมื่อวันอังคาร น, นะครับเราบอกหลวงพ่อว่าจิตมันสเปะสะปะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่ามันมีเพ่งอยู่ก็ก็เลยตั้งใจว่าจะไม่ปฏิบัติในรูปแบบทีนี้มันวันสองวันแรกก็ก็ยังโอเคครับเราพอ วันพุธเย็นเยนมันมีความรู้สึกมันจ่อยๆเสียใจครับจริงๆมันจ่อยที่รู้สึกเสียใจโอกาสเพราะว่าปกติเวลาไปปฏิบัติจะตั้งใจจะทําในรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ที่นี่คือรอมาหลายปีไงครับแล้วมันเห็นว่ามันจ่อยที่พอเรามาที่นี่กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเฉยๆมานั่งอ่านหนังสือมานั่งอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ให้ไปอ่านหนังสือนี่ออนะครับครับให้ดูกายดูใจมันทํางานไปครับคือพยายามหาอะไรให้เขาทําแล้วก็ จะดูว่าอ่านหนังสือไปจะรอดูเผื่อเผื่อมันรอรดูจะไม่เห็นครับต้องให้ตาเติร์ดออกมานอกกุฏิเนี่ยตามองเห็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้หูได้ยินเสียงอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้นะครับฝึกอย่างนั้นหน้าที่จะเรียกว่าฝึกในชีวิตประจําวันไม่ใช่เป็นตั้งอ่านหนังสือครับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันไปครับแล <นะ S 1> ้ว ต่อไปพอใจมันคลายจากการติดล็อกเพียงอยู่ข้างในแล้วนะก็ทําสมถะอีกให้เลิกลรอกครับตอนนี้แค่จะแก้ให้ตัวที่มันล็อกนิ่งๆอยู่ถ้ามันยังล็อกนิ่งๆมันไม่เดินปัญญาหรอกครับตรงที่มันคลายล็อกเนี่ยมีจุดเสียงมันจะฟุง้งครับนะยิ่งเรากดไม่นานเนี่ยจะฟุ้งแรงเลยนะครับเงั้วเราคอยมีสติคอยรู้ทันไปนะถึงเวลาก็ทําสมถะบ้างไม่ใช่ไม่ทําเลยนะครับ แต่ว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่นั่งอ่านหนังสือนะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะครั บ, รบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อขอส่งกันบ้านหลวงพ่อคือว่ารอบในการปฏิบัติเนี่ยเท่าเดิมโดยการเช้ากลางวันเย็นนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรม รวมทั้งก่อนนอนเป็น4ี่เวลาแต่คราวนี้ขณะที่หลังจากนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมมาแล้วมานั่งสมาธิต่อเนี่ยจิตใจเขาจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มใสแต่ขณะในชีวิตที่ชีวิตประจําวันที่ใช้ชีวิตธรรมดาออกไปเดินห้าสับสินค้าไปช็อปปิง้งไปซื้อเสื้อผ้าหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีกำลังเหมือนขณะที่เรานั่งสมาธิ มันก็จะไหลไปแล้วก็รู้ไหลไปแล้วก็รู้อย่างนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติปกติปฏิบัตินะแต่ถ้านานไปนะมันหมดแรงไม่เรียกปฏิบัติจะเป็นฟุ้งเฉยๆนะแล้วอย่างนี้ก็ต้องก็ทําในรูปแบบนี่แหะหรืออยู่บ้านพอนา น, นะเจ้าค่ะเราก็ออกไปคล้ายๆไปเข้าสนามทดสอบก็เห็นก็แพ้มาทุกทีเลยจ้ะเออแพ้ก็องซ้อมให้ดีกว่าเก่าแล้วจะถามหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ ขณะที่เรามีเรามีปัญหามีผัสสะเข้ามาแรงๆทำให้เราเสียใจให้เราให้เราคือคือมันไม่สภาวะปกติเนี่ยความการที่เคยตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วง่ายมากเลยเหมือนกับหนึ่งสามเนี่ยมันจะนิ่งได้แล้วก็ดูอะไรได้อย่างชัดๆแต่ขณะที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทำได้แค่เพียงว่ารู้ตามจริงไปเป็นชอ็ชอตชอ็อตช็อตแล้วก็รู้ได้แค่นั้นจะตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนี่ก็รู้ได้ ได้ได้แค่แนวแค่นั้นนะไม่มีคําว่าควรจะะ<ก>ว่า<ด>จริงๆ<ค>มันเป็นอได้แค่นี้ก็แค่นีนะ้เวลาไม่มีอะไรมากระแทกกระทันนะทั้งก็ดูง่ายดูเหมือนจะเก่งเจ้าค่ะแต่พอแล้กระแทกขึ้นมาเราจะรู้เลยอโอ้ยยังไม่ได้เรื่องเลยเออดีที่รู้นะ <c oughs> มีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงบ้างเจ้าค่ะลึกๆเลยนะเราภูมิใจนะจากการเป็นนักปฏิบัติของเรานะเราก็รู้ทันมันไปเจ้าค่ะ เราไม่ได้ปฏิบัติเอาความภูมิใจหรอกนะรู้ทันมันเข้าไปอีกคล้ายๆปอกเปลือกตัวเองเออกไปเจ้าค่ะดีนมัสมรรคการท่านพ า, าน้ารเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาที่นี่เคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วละ่ะเคยฟังค่ะนะแล้วก็อ่านหนังสือวิธีแห่งการรู้แจ้งอยู่จเจ้าค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามค่ะว่าที่ขณะนี้ที่ปฏิบัติอยู่ยเห็นไหมว่ากายกับใจมันคนละอัน แม้ ส, สุขทุกข์กับใจก็คนรละอันกิเลสกับใจก็คนรลนะอันนั่นแหละภาวนาเป็นนะแล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้เห็นกายเห็นใจเขาก็ทํางานเขาทําของเขาได้เองดูออกไหมอย่างจิตใจมันเป็นเองค่ะเคยเห็นเจ้าค่ะเดูไปเรื่อยแล้วมันจะเห็นทราบซึ้งถึงใจมากขึ้นมากขึ้นนะกายนี้มันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรย่างเงี้ย จิตใจนี่ก็แปรปรวนตลอดแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยคนั่นแหละเรี่ว่าการเจริญปัญญาแต่ทีนี้เวลาเกิดสภาวะค่ะถ้าทางโลกนี่มันมีอารมณ์มากระทบแรงๆเจ้าค่ะมันก็วิ่งเลยเจ้าค่ะธรรมดาทีนี้เป็นอย่างนั้นแหละอยากจะถามท่านพระอาจารย์อยากจะกลาบเพียนว่าจะต้องปฏิบัติยังไงต่อปฏิบัติอย่างนี้แหละมันค่อยแก่กล้าขึ้นต่อไปกระทบแล้วไม่กระเทือนจากนี้กระทบแล้วกระเทือนไปก่อน เพราะภูมิจิตภูมิธรรมเราได้ขนาด น, นี้ยังต้องกระทบกับโลกอยู่แลใจเรายังไม่พลากออกจากโลกจริงนวัสการครับหลวงพ่ออืก็คือเมื่อหลายเดือนก่อนหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลไปครับอืมไม่ทราบว่าตอนนี้พอดูได้อยู่หรือเปล่าครับให้ดูได้ดูไม่ได้บินอยู่ชนรู้ด้วยตนเองครับทําไมจะไม่รู้ละ่ะครับมีอะไรต้องแก้ไขไหมครับก็ทําให้มากนะ อย่าอยากได้ผลอย่าโลภครับที่ผมเห็นว่า ส, สภาวะที่เกิดมันจะ เ, เกิดเป็นลักขณะขณะแล้วก็ดับไปเป็นช่วงเป็นช่วงอย่างเงี้ยนั่นแหละถูกแล้วนะเห็นถูกแล้วนะครับทําถูกแล้วนะครับเดีือแต่ทําให้มากเท่านั้นะครับแล้วถ้าใจมันไม่มีแรงก็ทําความสงบเข้ามานะครับมีแรงแล้วก็เดินปัญญาต่อก็เดินอย่างนี้แหละ เวลาใจไหลไปคิดรู้ไหมก็บางครั้งก็รู้บางครั้งก็เผอเหมือนกันครับธรรมดานะให้มันรู้บ่อยเท่านั้นแหละดีแล้วล่ะดีขึ้นเยอะเลยครั บ, รบกาบรรสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะโอ้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมดูออกไหมะไรนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมละ่ะเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงไหม ไม่เห็นเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้จากแต่ก่อนเนี่ใจเหมือนกันไหมก็ดีขึ้นนะคะนั่นแหละความเปลี่ยนแปลง ย, ยังบอกไม่เห็นอีกเด้วตีเลยหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าจิตตื่นแล้วมันจะกลับไปหลับได้ได้ได้โอกาสหลับมีเยอะแยะเลยะโมหะมาเมื่อไหร่ก็หลับเมื่อ น, นั้นอะ่ะแสดงว่าก้าวหน้าแล้วก็ถอยหลังได้ได้เคยร้องเพลงไหมสารวันเตี้ยลงเดินหน้าแล้วก็ถอยหลัง การปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ใช่พาวนาะแล้วก็เจริญรวดเดียวไปเจริญเจริญเจริญไปเรื่อยนะ oh. มันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ง oh. ทั้ง oh. ทั ง, ท, ง oh. ที่เจริญอยู่นี่นะวันดีคืนดีเสื่อมพาวนาไม่เป็นเลยเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยนะแล้วมันจะทําให้เราชอกช้ำ ม, มากเลยเขซ้ายแล้วก็มาฐานหายไปหมดแล้วก็ภาคเพียนปั้นขึ้นมาใหม่นะสวยงามมีจิตบรรจงเดี๋ยวก็ถล่มลงมาอีกนะแล้วเป็นอย่างนั้นนะ่ะหลายรอบ สำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนปัญญามันแทงตลอดนะโจิตไม่อยู่ในอำนาจหรอกนึกว่าหนูเป็นคนเดียวก็ เ, เป็นทุกคนแหละถ้าภาวนาเป็นพาวนาไม่เป็นมันไม่รู้แล้วสมมุติว่าเราไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบมันจะมีผลอะไรอเปล่าคะจิตจะไม่ค่อยมีแรงนะบางทีจิตไม่ถึงฐานเหมือนกับรู้ๆอยู่รู้ไปสบายสบายโล่งๆไปงั้นอย่างนั้นไม่ดีแนละ้ว แล้วถ้าเราสนใจที่จะทําสมาธิแต่ไม่ค่อยชอบเดินจงกลมแล้วก็นั่งเอาก็ได้ใช่ไหมใช่ใชหลวงพ่อไม่ค่อยเดินนะตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นโยมอ่ะทีแรกมันอยู่ที่ฝึกเา่าเพราะไปเรียนกับท่านพ่อรีท่านให้ทําอานาปนสาาติส่วนใหญ่ก็เลยนั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วบ้านก็เป็นบ้านไม้ด้วยไปเดินนะดังโป้งโป้งปังปั ง, ป ง, ป ง, ป ง, ปงนะมันก็หนวกหูคนอื่นก็ล้วก็ไม่ไม่ถนัดเดินหรอก หลวงพ่อนั่งหรอกเดินนั่งตอนไหนง่วงแล้วนะนั่งพัดน์เราจะมีหลักสังเกตไหมเจ้าเคาว่าเรารู้สึกดีแบบว่าเจริญก้าวหน้าขึ้นนะะก็ดูที่ใจนะรู้เท่าทัานมันมากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสห่างออกไปโลกมันห่างออกไปใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะค่อยๆพัฒนาไปในสุดใจกนะับโลกนี่ยแยกออกจากกันนะพรากออกจากกันแต่ไม่ใช่พรากแบบคนละชั้นนะ เมื่อคนนึกว่าจิตกายเขาใจแยกกันแล้วถอดจิตออกไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลงมาอนนี้ไม่ใช่นะนั่นเป็นเรื่องสมาธิทั้งหมดเลยมันอยู่ได้กันเนี่ยแต่มันไม่กระทบกันเป็นเรื่องแปลกถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าเราเก้าวหน้าแล้วดูที่กิเลสอะกิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันมากไหมถ้ารู้ทันได้เร็วก็เรียกว่าก้าวหน้านะดูกิเลสเป็นหลักไว้อย่าดูสมาธิาสมาธิมันหลอก กิเลสหลอกเราไม่ได้หรอกอ ก, กิเลสโผลขึ้นมารู้รู้ไปด้วยยิ่งฝึกนะจะเห็นนะกิเลสซับซ้อนซ่อนมากมายเลยทั้งภาวนานะก็แอบภูมิใจอย่างดรเอเนี่ภูมิใจว่ายฉันเป็นนักภาวนาวันหนึ่งนี่ถนะ้ฉันทำหนึ่งสองสามสี่มีหลายรอบอะไรอย่างนี้นะลึกๆมันภูมิใจนะนืกก้อก็กิเลสนะแต่ว่ากิเลส อ, อย่างนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนอยู่ๆจะให้สิ้นกิเลสเลยมันทำไม่ได้หรอก ขอบคุณหลวงพ่อใครรู้ทันกิเลสไวนะ้เวลาบรรลุมรรคผลนะท่านยังดูกิเลสเลยนะเวลาบรรลุโสดาปติมมัคเนี่ยจินตจะทวนกลับมาเลยว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออันไหนล้างเด็ดขาดอันไหนล้างชั่วคราวอะไรนีร่รู้นะได้สกทาคาได้อนาคาก็ทวนมาดูกิเลสเอกีกพอได้พระอรหนะันต์เนี่ยทวนเข้าไปที่ ท, ที่อริยสัตวนะีทวนเข้าไปทบทวนธรรมะเลยไม่มีกิเลสให้ละละคนคว้าลงไปไม่มีแล้วะ จิตมันพลากออกจากขันไปหมดจิเลมอยู่กับขันนะจิตพลากออกไปมันไม่มีแล้วหลวงพ่อคะนิพพิทากับไม่มไมนิพพิทาเราจะนิพพิทากับโทสะเนี่ยคล้ายๆกันอกอนะโทสะเนี่ยนะไม่ชอบอันหนึ่งเพื่อจะไปเอาอีกอันหนึ่งนิพพิทาเนี่ยอะไรอก็น่าเบื่อเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรที่ว่าควรจะเอาอีกต่อไปนะมันต่างกัน ถ้าโทสะเนี่ยเกลียดอันนี้จะชอบอันนี้อันนี้พิธาเนี่ยทุกอย่างเสมอกันนะด้วยความที่ไม่น่ารักไม่น่ายึดถือไม่เหมือนกันหรอกกราบนมัสการหลวงพ่อครับคื อ, อาการบ้านที่ผมมาชุดที่แล้วนะครับหลวงพ่อให้ไปพิจารณากายคื อ, อดูผมคนเล็บฟันหนังนะครับแล้วก็ ที่ ผ, ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มาพิจารณากายแล้วก็มาดูลมหายใจแล้วก็มาเห็นกายก็คือเขาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใจเนี่ยเป็นผู้ดูอย่างนี้นนถูกไหมครับถูกเป๊ะเลยสังเกต น, นะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาขึ้นเยอะนะขันมันแยกแล้วจะเห็นใจมันก็ทํางานได้กายมันก็ทํางานได้นะ เราไม่ไปปะครองอะไรไว้ดีที่ทำเนี่ยถูกแล้วตัวรู้ก็ไม่ได้ปะครองดีครับผมทำถูกแล้วล่ะ แ, แล้วทำบ่อยๆครับผมก็ผมก็ขอกรามกรรมพระอาจารย์เลยนะครับก็อันใดที่เคยล่งเกินไปด้วยกายวาจาใจก็ขอกมากรรมหน่ยนะครับเออครับทราบนะก็ค ว, ความสำรวมระ ว, วังในการต่อไปดี แล้วก็ผมขอถวายการปฏิบัติให้กับหลวงพ่อประมอดด้วยนะครับโอ้สาธุอย่างนี้ชอบนะเอาขนมมาถวายอะไรเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าหมอเขาห้ามกิน <c oughs> เอาการปฏิบัติมาถวายนี่ดี <c oughs> ฟังแล้วสดชื่นความจริงหลวงพ่อเห็นหน้าพวกเรานะที่ภาวนาถูกภาวนาดีนะหลวงพ่อก็สดชื่นแล้วเป็นยาอายุวัฒนะ แล้วหน้าเหมือนไม่เหงกหน้าเหมือนสดนรองเท้า อ, อย่างนั้นก็ตายเร็วพวกเราใช้ได้เฉยและเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจแล้วก็ผมจะมีะคําถามเพิ่มเติมก็คือว่าที่ผมอยากจะรู้ที่ว่าสภาวะที่ว่าจิตตั้งมันนะครับก็คือว่าเวลาที่เรารู้เนี่ยเวลาจิตคิดออกไปเรารู้ปั๊บแล้วเรามารู้ตัวตอน ปัจจุบันเลยใช่ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเราไม่ได้บังคับให้รู้นะมันรู้เองมันกลับมารู้เองใจมันจะโปล่งโล่งเบาด้วแต่ถ้าจงใจรู้มันจะแน่นถ้าแน่นแน่นะผิดแล้ว่ะของคุณน่ะทาถูกแล้วละครั่มแหละจิตมันตั้งมั่นอยู่แทบตลอดแล้วตอนนี้ในขณะนี้นะแต่ววันหนึ่งก็เสื่อมอย่าตกใจนะต้องเสื่อมเพราะธรรมชาติของจิตเจเลยเราเสื่อม เราไม่ได้พาวนาเอาเจริญไม่ได้พาวนาเพื่อปฏิเสธเสื่อมแต่เจริญเรารู้เสื่อมเรารู้จนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาเรายอมรับอะไรเรายอมรับธรรมดาไม่ให้ยอมรับเจริญนละปฏิเสธเสื่อมนะ <c oughs> เจริญและเสื่อมนะเพื่อสอนให้เห็นว่าธรรมดามเป็นอย่างนี้แหละกับผมครับสาธุเข้าถึงธรรมดานั่นแหละธรรมะละ่ะสาธุครับไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยธรรมดา หมดละนะนี่หลวงพ่อไปเทศบ้านจิตสบายเล่าให้ฟังนิดนึงมีคุณลุงคนหนึ่งนะเป็นชาวนานะมู่ส่งกันบ้านมันมากเลยแยกธาตุแยกขันได้เลยได้นะแกพูดไม่ค่อยเป็นหรอกแต่เกว่าเก่งมากเลยแยกธาตุแยกขัน <c oughs> เห็นจิตมันเบิกบานเห็นจิตมันเป็นไงรู้หมดนะบอกวานนึงผมออกมาจากประตูบ้านเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้ไม่มีน้ำหนักจิตผมมีน้ำหนัก <c oughs> โอ้เร oh, okay. าเก่ง嘛เลยเล่าให้แกฟังหลวงพ่อก็เคยเห็นนะสมัยก่อนอยู่เมืองกาลตอนบวชพรรษาแรกนะออกมาเห็นภูเขาทั้งสามลูกเนะี่ยลูกใหญ่ๆนะภูเขาเรียงกันสวยสามลูกภูเขาไม่มีน้ำหนักเลยแต่จิตเรามีน้ำหนักเนี่ยเออแกภาวนาสะใจดีชาวนานะ mm hmm. หลวงพ่อเราปลื้มมากเลยเรื่องคนยากคนจนอะไรนะ ก็เรียนธรรมะได้ธรรมะไม่ได้ผูกขาดาจะเศรษฐีหรอกดีใช้ได้นะพวกเราก็ใช้ได้ดูงดงาม